Book two. 2สิบแปดโอสมสการทำความสะอาดบ้านวันนี้เป็นวันเสาร์วันนี้เรามีเวลา วันนี้เราจะทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์ผมกำลังทำความสะอาดห้องน้ำภรรยาของผมกำลังล้างรถเด็กเด็ก กำลังทำความสะอาดรถจักรยานคุณย่าคุณยายกำลังรดน้ำดอกไม้เด็กๆกำลังทำความสะอาดห้องเด็ก ภรรยาของผมกำลังจัดโต๊ะทำงานของเธอผมกำลังใส่ผ้าที่จะซักลงไปในเครื่องซักผ้า d do ผมกำลังตากผ้ า, มาผมกำลังรีดผ้า เ e h l ิ m p r á า lo ลหน้าต่างสกปรกโอกน้าสูชปินาวพื้นห้องสกปรกดลา่า k a je š ป i n า v á จานชามสกปรกเรยียตเอชปินาวีใครเช็ดหน้าต่าง kto umiva o k n ใครดูดฝุ่น kto w i s a w ใครล้างจาน kto umiva r y a